ดีค่ะคุณผู้ฟังที่กระลบพบกับรายการชีวิตวัฒนธรรมได้ดิฉันพณนอธรรมเนียมอินอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราพบกันเช้ามืดของวันเสาร์ค่ะเป็นวันเสาร์ที่เจ็ดกันยาคมแล้วนะคะบรรยากาศช่วงนี้หลายคนจะคิดถึงสมัยก่อนก่อนนู้นโดยเฉพาะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายจะบอกว่าเนี่อลูกมันเป็นปลายฝนต้นหนาวนะต้องระวังเป็นหวัดกันให้ดีเดี๋ยวไข้หัวลมจะมาเดี๋ยวปู่ย่าตายายจะแกงส้มดอกแคร์แก้ไข้ ลมให้แต่พอสอนนี้วันนี้มันไม่ใช่แล้วล่ะค่ะเพราะตอนนี้เราเจอพายุเข้าเต็มๆจนที่น้องของเราเดือดร้อนบ้านสวนไร่นาจมน้ำกันไปเยอะแยะเลยนะคะเกิดความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่อีกในรอบปีนะคะโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ทางแถวอุบลราชธานีร้อยเอ็ดคอนแก่น พิษณุโลกสุขโขทยัยบงางอำเภอก็โดนแล้วนะคะเป็นห่วงกันมากๆเลยนะคะเพราะว่าพะแล้งก็แล้งซะจนนาแห้งแตกระแหงแต่พอน้ำมาปลูกข้าวเอาไว้ได้ก็โครมจมอยู่ใต้น้ำธรรมชาติตอนนี้ จะเรียกว่าเอาคืนคงไม่ใช่ะค่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่เกิดความปั่นป่วนไปทั่วโลกแล้วนะคะดังนั้นสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดตอนนี้คือเราช่วยกันนะคะเ้นไปที่ที่ทำการไปรษณีย์ค่ะก็เห็นกระบะติดใต้ว่ารับบริจาคสิ่งของช่วยน้ำท่วมเดงก็มาบอกต่อกับเพื่อนเพื่อนเพื่อ น, อ น, อนก็บอกว่าเอ๊ แล้วถ้าเราเอาเสื้อผ้าไปให้เขาจะเอาไม่นอกแล้วถ้าเขาอไปแล้วเขาไม่ใช่เรนก็เลยบอกกับทุกคนว่าตอนนี้เวลานี้อยากคิดเลยนะคะว่าเราเอาอะไรให้แล้วก็เขาจะใช้หรือไม่ใช่ เ, เรื่องของเลขบัญชีที่เป็นเงินบริจาคที่เราจะเห็นผ่านสื่อบ้างอันนั้นเป็นช่องทางหนึ่งช่องทางที่สองที่รวยรับบริจาคต่างๆเนี่ยค่ะถ้าเขาไม่จากัดสิ่งของ หรือแจ้งความประสงค์ไว้ว่าจะรับเป็นอะไรบ้างหรือไม่รับอะไรถ้าเราช่วยเหลือกันได้นะคะเราช่วยกันตามกำลังที่เราจะช่วยกันได้ค่ะเพราะว่าเห็นพูดกับเพื่อนๆและน้องๆบอกว่าเวลาที่เราจะเอาของไปบริจาคเนี่ยไม่ใช่แปลว่าเราขนของที่เรารุกบ้านไปให้เขานะแต่เราจะเลือกเท้วล่ะว่าสิ่งนี้เรายังใช้ได้เลยแล้ว คนที่เขากำลังเดือดร้อนพี่น้องเราเนี่ยน้ำท่วมพัดไปหมดเลยเก็บอะไรไม่ทันเสียหายเพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะต้องการความช่วยเหลือพื้นฐานแต่ถ้าเขาจะไม่ใช้ก็จงคิดซะว่าเราตั้งใจทําบุญและตั้งใจช่วยเหลือและปลายทางจะเป็นยังไงอย่าคิดกันเลยดีกว่านะคะจะได้มีคนลุกขึ้นมาช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพื่อนๆเราพี่น้องของเราที่อยู่ตามที่ต่างๆที่เดือดร้อนตอนนี้ก็จะได้ทุเลาบาบางความเดือดร้อนไปด้วยนะคะด้วยงานต่างๆก็ลุกขึ้นมาช่วยกันที่จะเตรียมการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งหรืออื่นๆนะคะก็ เอาเป็นว่าตอนนี้เราช่วยกันนะคะส่งกําลังใจคงไม่พอแล้วค่ะเพราะเราไม่ทราบว่าน้ําจะแห้งสักเมื่อไหร่เราช่วยกันด้วยกําลังที่จะช่วยกันได้นะคะตามแหล่งข้อมูลต่างๆอย่างที่ดิฉันเห็นเนี่ยก็คือไปที่ไปรษณีย์เขตราชเทวีเขามีกระบะเช่นนั้นที่อื่นๆจะมีหรือไม่ก็คงสอบถามได้นะคะตามศูนย์ของโทรศัพท์ที่เป็น ศูนย์ความเชื่อเรื่อต่างๆเดือนมักจะโทรที่ศูนย์การจราจรเนี่ยเขาก็จะให้คําตอบเราได้ดีนะคะถ้าเป็นศูนย์ดํารงธรรมนี่อาจจะเป็นเรื่องก้องเรียนไปนิดนึงแต่ถ้าเป็น 16cc เรียนมักจะโทรหาเวลาที่พบเห็นเส้นทางการจราจรหรืออะไรที่มันเสี่ยงๆเนี่ยเดือนมักจะโทรไปแจ้งนะคะเราก็ยังทําอยู่เลยค่ะว่าวันหนึ่งที่ไปงาน ที่สนามหลวงนะคะเขาก็มีการแกนบัตรประชาชนเข้าไปตามลำดับเดินเจอชื่อตนเองรอบแรกไม่ได้แปลว่าไม่ผ่านแต่ผ่านมาปุ๊บเขาส่งต่อให้ดิฉันต้องเข้าไปอีกโต๊ะหนึ่งซึ่งโต๊ะนั้นเป็นคุณตำรวจสองนายนั่งอยู่เขาก็ต้อนรับดิฉันอย่างดีแล้วก็ถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นคะ ดฉันจะเอาบัตรอีกใบหนึ่งให้เขาดูเขาบอกไม่ต้องหรอกครับเพียงแต่ว่าเรื่องที่มันปรากฏอยู่ในคอมพิวเตอร์ตอนนี้ก็คือเอ๊ะคุณเคยมีเรื่องแจ้งเรื่องไฟดับที่ศูนย์การอะไรนะคะศูนย์ดำรงธรรมหรือเปล่าบอกอ๋อใช่ค่ะเพราะว่าอัวมันดับมาเป็นสิบกว่าวันแล้วเป็นป้ายรถเมที่มืดเสี่ยงภัยน่ากลัวดิฉันห่วงผู้คนตรงนั้นรวมทั้งตัวเองด้วยก็เลยแจ้งไปตั้งหลายครั้งแต่ เกินครึ่งเดือนค่ะถึงได้รับการดูแลก็เลยแม่มีชื่อติดอยู่ในคอมพิวเตอร์ตรงนั้นไม่ได้ตกใจนะคะเพราะดิฉันไม่ได้ทําอะไรผิดเพียงแต่ว่าเรามีจิตที่เป็นสาธนารนณะที่โทรเข้าไปหลายครั้งแล้วก็ได้รับการแก้ไขในเวลาต่อมาเพราะว่าคนที่เขาเดือดรอนเขาช่วยกันโทรหลายคนนะคะก็เลยรู้สึกโอ้เรามีชื่ออยู่ในระบบที่เขา เก็บข้อมูลเอาไว้ด้วยแล้วทุกอย่างก็ผ่านไปได้ดีและได้รับความขอบคุณเอาละค่ะนี่คือเรื่องดีๆที่อยู่บนบรรยากาศของความห่วงใยพี่น้องที่โดนน้าท่วมนะคะแต่ก็พูดว่าเรื่องดีๆหมายความว่าเมื่อมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นพี่น้องชาวไทยไม่เคยทิ้งกันนะคะตอนนี้เราทราบว่ามีคนช่วยเหลือกันเยอะยะมากมายจนอย่างกระทรวงศึกษาธิการเองเขาก็ มีงานเกิดขึ้นทันทีแล้วก็ลงพื้นที่กันไปแล้วกระทรวงศึกษาช่วยเหลือประชาชนเนี่ยนะคะทางอาชีวศึกษาเขาก็ฟิกอิสเซนเตอร์ทางสำนัก ง, งานกศนก็เป็นซ่อมสร้างล้างใหม่นะคะเ<ม>ตรียมลงไปช่วยกันแล้วก็มีศูน ย, ย์ใหญ่ศูนย์แรกอยู่ที่อุบลราชธ า, านีศูนย์ที่สองอยู่ที่นครราชาสีมานะคะก็ชาวกศนก็ไประดมพลทั้งครูทั้งนักเรียนนักศึกษาของเราแล้วก็ พวกที่จะมาเป็นอาสาสมัครลงไปช่วยนะคะก็ดูแลพี่น้องกันแบบชาวกสนเพราะฉะนั้นตอนนี้กระทรวงศึกษาก็เริ่มบทบาทที่จะเข้าถึงพื้นที่กันแล้วนะคะและดิฉันเชื่อว่าก็คงมีหน่วยอื่นๆ เต็มที่ละคะ่ะให้พี่น้องได้อุ่นใจว่าไม่มีใครทอดทิ้งท่านนะคะนี่คือช่วงต้นของชีวิตวัฒนธรรมค่ำคืนนี้เช้ามืดแบบนี้นะคะฟ้ากำลังจะสางเดือนพนธนทมเนียมอินอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะตั้งแต่ตี4ถึงตี5และเช้ามืดวันนี้คุณบิ๊กควบคุมเสียงและหาเพลงข้อเพราะมาให้เราได้รับฟังกันเชิญฟังเพลงแรกจากคุณบิ๊กเลยคะ่ะ กำหนดให้วันที่8กันยายนของทุกปีเป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ8กันยายนนี้ประเทศไทยโดยสํานักงานกศนออกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประเทศสมาชิกกําหนดจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นณอิมเพ็เมืองทองธา น, นีภายใต้แนวคิดกศนออ ก, กับการส่งเสริมการรู้หนังสือของชุมชนและสังคมไทยกศนออกขอเชิญชวนร่วมเฉลิมฉลองวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือด้วยการกระตุน้นหนุนเสริมต่อยอดทุกชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้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 หรือที่ w วอร์ไวยเว็บดอทโลคุณผู้ฟังที่เคารพคะเชาวมืดวันนี้นะคะมีเรื่องที่อยากจะมาบอกเล่ากันหลากหลายเรื่องราวพอพูดถึงน้ำท่วมดิฉันก็คิดถึงเรือตอนดิฉันจมอยู่ในบรรยากาศแบบนี้หนึ่งเดือนปีห้าสี่นะคะบ้านแช่น้ำอยู่หนึ่งเดือนเนี่ยลูกศิษย์ก็เอาเรือมาให้นะคะเอาเรือใส่รถมาให้แต่ว่าตอนนี้เนี่ย เรามองเห็นภาพความช่วยเหลือที่ต่างจังหวัดนะคะก็คิดว่าอีกไม่นานก็คงจะหายแล้วก็สถานการณ์น่าจะดีขึ้นแต่เราก็คิดถึงเรือเรือที่วันก่อนก็ดูโฆษณาของการแข่งเรือนะคะดูบรรยากาศของการภาคนักภาการแข่งเรือสนุกสนานผ่านสื่อมวลชนไปเดินไปอ่านหนังสือการท่องเที่ยวนะคะก็ได้พบหนังสือ ที่เขาเขียนเรื่องของเรือโบราณพันปีพนมสุรินนะคะเป็นรายงานที่อาจจะผ่านมาหลายปีเหมือนกันค่ะตั้งแต่ปี2557นะคะหนังสืออสทซึ่งเป็นฉบับเดือนมิถุนายนแม้ว่าวันเวลาจะผ่านไปหลายปีนะคะแต่เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ถือว่าคนตื่นเต้นแล้วก็คงจะมีการ ดำเนินการต่อเนื่องกันมานะคะถ้าท่านใดฟังแล้วอยากจะมีอะไรแลกเปลี่ยนต่อเนื่องก็ยินดีนะคะที่รายการชีวิตวัฒนธรรมสถานีวิทยุมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีเ m เ 89.5 แห่งนี้ดิฉันพรรธรรมเนียมอินดำเนินรายการค่ะเรื่องที่จะนำมาเล่าก็คือเป็นเรื่องของเรือโบราณพันปีพนมสุรินนะคะเขาค้นพบกันตั้งแต่นู้นเลยค่ะ เดือนกันยายนนี้เดือนนี้ที่เห็นถึงเลือกมาอานเดือนกันยายนปี2556นู่นนะคะเป็นเตื้อที่ขุดพบในที่ดินของคุณสุรินแล้วก็คุณพนมสีงามดีในเขตหมู่ที่6กตําบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะก็ขุดค้นพบในระหว่างการขุดดินเพื่อปรับพื้นที่สําหรับเตรียมการทําบ่อเลี้ยงกุ้ง นะคะก็พบเรือไม้ขนาดใหญ่มากความยาวกว่า20เมตรจมอยู่ในดินเลนด้วยลักษณะพลิกตะแคงหัวเรือหันไปทางทิศใต้สร้างความแปลกใจอย่างมากนะคะเพราะว่าบริเวณดังกล่าวนะเป็นที่ลุ่มแล้วก็ห่างจากชายฝั่งทะเล ถ, ถึง 7.5 กิโลเมตรก็แจ้งให้กรมศิลปากรสำรวจขุดค้นค่ะพ้นการขุดค้นทางโบราณคดีเบื้องต้นก็พบว่า เป็นเรือไม้นะคะพบไม้ทับกระดูกงูกลางลําเรือมีความยาวถึง 17.65 เมตรด้านล่างบากเป็นร่องสลับกันสำหรับวางทับกงเรือชิ้นส่วนไม้บนตัวเรือเนี่ยใช้เชือกสีดำผูกร้อยยึดแผ่นไม้ให้ติดกันแทนการใช้ลิ่มหรือน็อตนะคะบางแผ่นก็เจาะรูตรงกลางแผ่นเพื่อรอยเชือก เพิ่มความแข็งแรงแล้วก็พบเสากระโดงเรือสองเสาเสาแรกเนี่ยพบอยู่ทางทิศตะวันตกของเรือมีความยาว 17.37 เมตรตรงหัวเสาเนี่ยเขาจอบช่องสี่เหลี่ยมค่ะด้านในก็มีรอกกลมทําด้วยไม้ติดอยู่นะคะส่วนโคนเสาบากเป็นแท่งสี่เหลี่ยมสันนิษฐานกันว่าเป็นเดือยใช้สำหรับติดตั้งบนฐานเสาเรือนะคะเสากระโดงเรือเนี่ย อีกเสาหนึ่งพบอยู่นอกตัวเรือทางทิศตะวันออกคนเสาด้านหนึ่งบากเป็นสี่เหลี่ยมอีกด้านหนึ่งเป็นครึ่งวงกลมแล้วก็ยังพบเชือกหวายขนาดยาวพันอยู่ที่คนเสาด้วยน่าอัศาจรรย์มากเลยนะคะเรือโบราณนับพันปีแต่เชือกหวายยังอยู่ได้หวายก็คือต้นไม้ถูกไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นมันก็คงจะยิ่งแช่น้ำก็ยิ่งเหนียวทนนะคะ การศึกษาเปรียบเทียบพบว่าเทคนิคการต่อเรือลานี้เป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในเรืออาหรับโบราณในประเทศไทยเคยพบลักษณะเช่นนี้มาก่อนแล้วลำหนึ่งนะคะที่แหล่งเรือโบราณควนธานีอําเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะภายในเรือก็ยังพบสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่สําคัญที่สุดก็คือภาชนะดินเผาลักษณะคล้ายหายก้นแหลมนะคะ อย่างที่ชาวโรมาเขาใช้สำหรับบรรจุสินค้าของเหลวพวกไวน์หรือว่าน้ำมันนอกจากนั้นก็ยังพบเครื่องถ้วยจีนและภาชนะดินเผาสมัยทราววดีอีกเป็นจำนวนมาก โบราณวัตถุที่พบนะคะก็ทําให้ประมาณความเก่าแก่ของเรือว่ามีอายุกว่าพันปีเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญของการเดินทางค้าขายทะเลเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญของการเดินทางค้าขายทางทะเลข้ามทวีปเลยนะคะจากดินแดนตะวันออกกลางผ่านอินเดียมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อต้นพุทธศตวรรษที่11เลยค่ะซึ่งหลักฐานทางธรณีวิทยาเขาก็พบว่าบริเวณที่พบเรือนในสมัยเมื่อ พันปีก่อนเป็นแม่น้ำท่าจีนโบราณที่ยังเชื่อมเป็นทางน้ำเดียวกันกันกบแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะโดยการที่เรือหันหัวไปทางทิศใต้แสดงให้เห็นว่าได้เกิดอุบัติเหตุอับปางลงในขากลับออกจากการค้าขายในเมืองท่าสมัยทวาราวดีแล้วก็ถูกทับถมจนดินตะกอนเนิ่นนานนะคะจากดินตะกอนต่างๆเนี่ยมันก็ทับถมทับถมนับพันปี จนกระทั่งถูกค้นพบในยุคปัจจุบันนี้ค่ะแล้วก็เพื่อเป็นเกียรติแก่นายสุรินและนางพนมสีงามดีผู้ค้นพบเรือโบราณลำนี้นะคะทั้งยังเป็นเจ้าของที่ดินซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยก็ได้บริจาคที่ดินบริเวณแหล่งขุดคน้นมอบให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสาธารณะประโยชน์ด้วยจึงได้นำชื่อของทั้งสองท่านมาเป็นชื่อเรียกเรือโบราณ ดำดังกล่าวว่าเรือพนมสุรินค่ะซึ่งกรมศิลปากรก็ตระหนักถึงความสำคัญแล้วก็ต้องการให้ประชาชนในชุมชนในท้องถิ่นหน่วยงานราชการในพื้นที่เข้ามาร่วมกันศึกษาอนุรักษ์แล้วก็พัฒนาแหล่งเรือโบราณซึ่งถือได้ว่าเป็นโบราณสถานระดับชาติเลยนะคะจึงได้มีการจัดเสวนาประชาคมเรื่องเรือโบราณพนมสุรินกันไปนะคะขึ้นที่วัด วิสุทธิวราวาดหรือวัดกลางคลองซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งที่ขุดพบเรือโบราณดังกล่าวนะคะแล้วก็เจตนาของการเสวนาครั้งนั้นก็เผยแพร่ความสำคัญของแหล่งโบราณนคดีเรือโบราณแนวทางการอนุรักษ์ การบริหารจัดการแล้วก็ระดมความคิดเห็นสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประชาชนแล้วก็หน่วยงานราชการทุกถิ่นทุกภาคส่วนโดยมีนักวิชา ก, การและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนะคะไปร่วมเสวนาครั้งนั้นก็มีตั้งแต่ศาสตราจารยา์พิเศษดรชันวิทย์เกษตรสิรินายอเนกสีหามาตอธิบดีกรมศิลปากรในสมัยนั้นนะคะนายทวดภนุตอโค์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีสมัยนั้นนะคะนางสาวนารีรัตน์ปรีชาพีชคุปนะคะ ผู้อเมริการสำนักศิลปกรที่หนึ่งราชบุรีสมัยนั้นนายเอิบเปรมวัชรังกรูนหัวหน้ากลุ่มโบราณคดีใต้น้ำพร้อมผู้แทนสว่วนราชการที่เกี่ยวข้องในสมัยนั้นค่ะประชาชนในพื้นที่ตำบลพันท้ายนรสิง์จำนวนมากที่ทราบข่าวต่างก็พากันเดินทางเข้าชมเรือในบริเวณที่ขุดคนนะคะซึ่งทางกลุ่มศิลปกรก็ได้ปล่อยน้า ซึ่งปกติจะท่วมมิดเรือออกบางส่วนเป็นการชั่วคราวเพื่อให้เห็นรูปร่างของเรือที่จมอยู่ในโคลนกลางบ่อได้ชัดเจนขึ้นนะคะก็ทําให้สิ่งที่ตื่นตาตื่นใจนั้นนะคะได้นํามาศึกษากันต่อความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะท่านใดที่ได้มีข่าวคราวหรือเป็นท่านที่อยู่ในพื้นที่ก็สามารถส่งข่าวคราวเพิ่มเติมกันนะคะเพื่อ เป็นการรายงานความคืบหน้าร่วมกับสิ่งที่ที่ท่านไ ด, ได้นำมาบอกเล่าแล้วก็เชื่อกันนะคะว่าสิ่งที่อยู่ใต้พื้นดินที่เรายังไม่ได้ค้นพบเนี่ยมันมีอีกมากมายมหาศาลและบางทีก็ไปเจอกันด้วยเรื่องบางเอืน่นเช่นนี้นะคะบางทีทราบว่าถายนาอยู่ก็เจอภาชนะเจออะไรสำคัญสาคัญนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เรา มองกลับไปในอดีตนับพันปีได้แล้วก็เป็นเรื่องที่ลแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทำให้เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเรารวมไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นด้วยนะคะนี่คือชีวิตวัฒนธรรมค่ะไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปกี่ศตบกี่ร้อยปีก็ตามวิถีชีวิตของผู้คนก็ยังคงขึ้นอยู่กับปัจจัยในการดารงชีวิตแบบเดิมๆ เ, เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราค้นพบในอดีตมันก็บอก สายสัมพันธ์นะคะบอกร่องรอยทางประวัติศาสตร์เราได้เป็นอย่างดีในช่วงหน้านะคะก็ยังมีเรื่องที่จะเชิญชวนคุณผู้ฟังมาร่วมกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับอดีตตราบจนปัจจุบันแต่ช่วงนี้ฟังเพลงจากคุณบิ๊กอีกเพลงหนึ่งค่ะ I'm not. เตียงท่าเรียงไกรแบ่ขยายพระบารมีสรงท่านสวรรคตสศกสลดทั้งกรงศีความรักสามัคคีเซนาบดีเสื่อมสามลงถ้าสึกจึงภึกานมารุคานเพื่อประสงค์ นาไทยมั่นคงซ้ำยังทรงใสศึกมายกุกใดไทยสามคีไพรีวากควา่ายกนายนายภารริดสยามแตกแยกกัน อาดวาดระแวงเนื่องจากแยง่งครองเขตคันหุดช้างที่ชนกันยาแปลกนั้นยอมล้มตายคนดีมีฝีมือคนซื่อก็สูญหายถูกขาดนาเสียดได้บานแยกย้ายนิสานสม าราชการงานเมืองมีแต่เรื่องที่คืนคงสมบัติผลัดกันชมเป็นสังคมเฉพาะการสตรูอยู่นอก ว่าคุณทางมัวสนุกสนานใส่ศึกส่ ง, งสัญญาณขา้าศึกผ่านเข้าสบายทับโจนปล้นทานินเผาทรัพย์สินจนเสียหายตอนคนไปมาอากไม้ถูกปลอยววยเป็นเฉลยอดีตปัจจุบันคล้ายคึงกันพี่น้องเออ เปรียบเปรยตามที่เคยรู้เห็นมาคนซื้อฟรีมือดีมักจะมีคนอิดชาย้ายไปให้ไกลาตาเพราะเหตุว่าชอบขัดใจความรักสามัคคีเป็นสิ่งที่ทุกสมัยแบ่งสรรปันน้ำใจเป็นผู้ใหญ่ อทิทนอดเก่าที่เราเห็นดูไว้เป็นอนุสรมองไปใจสะ ท, ท้อนภาพมาล้อนถึงปัจจุบัน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 พร้อมให้บริการทุกวันอาคารเวลา 12.00 ถึง 13.00 ที่ชั้น3สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุรีจังหวัดปทุมธา น, นีสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-549-3653 UNESCO กำหนดให้วันที่8กันยายนของทุกปีเป็น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 ผู้ฟังที่เคารพค่ะขณะ น, นี้ทุกท่านกำลังฟังชีวิตวัฒนธรรมทางเอเอม 89.5 สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีดิฉันพนอธรรมเนียมอินดำเนินรายการนะคะวันนี้วันเสาร์ที่7กันยายนที่เมืองทองทา น, นีนะคะก็มีงาน สำคัญสำคัญหลายงานเกิดขึ้นหนึ่งในนั้นจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่แปดกันยายนสองพันห้า้อยหกสิบสองวันที่ระลึกสากรแห่งการรู้หนังสือประจำปีสองพันห้ารอหกสิบสองนะคะสัปดาห์ที่แล้วดิฉันได้เรียนเชิญคุณฟังไปร่วมงานนี้คร่าวๆวันนี้กิจกรรมโดยละเอียดนะคะอยู่ในมือดิฉันแล้วค่ะก็จะเรียนเชิญเพื่อที่ว่า งานนี้ถือเป็นงานสำคัญไม่เพียงแต่ประชาชนชาวไทยนะคะแต่มีความสำคัญไปทั่วโลกเราเป็นชาติที่จัดตรงเวลาถึงแม้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันอาทิตย์หน่วยงานราชการหยุดแต่สำนัก ง, งานกศนกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็จัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปี2562ตรงวันเลยค่ะใน การจัดงานครั้งนี้นะคะก็มีกิจกรรมสำคัญสำคัญดังที่เรียนไปสัปดาห์ก่อนว่ามีทั้งการอ่านสารจากยูเนสโกสารของนายรัฐมนตรีมีการถ่ายทอดทางอีทีวช่วงเวลาประมาณสิบนาฬิกาถึงสิบเอ็ดนาฬิกานะคะซึ่งเป็นช่วงสำคัญสำคัญในงานนอกจากนั้นกิจกรรมที่อยากเชิญชวนทุกท่านไปร่วมให้ความสำคัญไปเรียนรู้ถอดบทเรียนกับ เราชาวกสอนอซึ่งมีพี่น้องอยู่ทั่วประเทศเนี่ยนะคะก็คือในงานนี้เนี่ยจะมีการจัดบูธสำคัญสคัญตั้งแต่เริ่มบูธที่หนึ่งก็คือเป็นส่วนที่ถวายพระเกียรติยศนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็จะเป็น บูทสำคัญการจัดนิทรรศการนะคะส่วนต่อไปเป็นเรื่องของการรู้หนังสือบูทที่หนึ่งการเรียนรู้หนังสือเพื่อความมั่นคงรับผิดชอบโดยกศนจังหวัดตากนำเสนอการศึกษาพิเศษตามชายแดนและทักษะการพูดการฟังภาษาไทยตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิธิรชาจเจ้ากรมสมเด็จพระเท พ, พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีนะคะบูทที่สองค่ะ การเรียนรู้หนังสือเพื่อความมั่งคั่งสำนักงานกศนจังหวัดปัตตานีจะแสดงเรื่องการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้เน้นสถาบันการศึกษาปอนนะคะก็ขอเชิญไปดูว่าเขาทําอะไรกันยังไงบ้างส่วนบูธที่สามเป็นการเรียนรู้หนังสือเพื่อความยั่งยืนในกลุ่มที่สองบูธที่สามและบูธที่สี่เนี่ยเป็นการจัดบูธหนังสือเพื่อความมั่งคั่ง โดยสตูนและมหาสารคามนะคะจะมีการนำเสนอการสร้างเครือข่ายชุมชนระดับตำบลสมาร์ตออนนี่เพื่อสร้างสมาร์ f ฟาร์ r เมอร์และการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาด้านอาชีพค่ะกลุ่มต่อไปเป็นกลุ่มที่ 5้าหกเจ็ดนะคะเป็นบูธการทูนังสือเพื่อความยั่งยืนค่ะสํานักงานกอนจังหวัดบุรีรําการจนิบุรีและฉะเชิงเศาก็จะนําเรื่องราวของการอ่านของผู้สูงอายุผู้พิการลูกเสือยกระดับการศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเมืองแห่งการเรียนรู้และห้องสมุดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาดโดย ฝ่ายศึกษานิเทศก็จะแปลภาษาแล้วก็นําเสนอทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยนะคะจากนั้นนายนัฐพลทีิศวรรนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะมอบโล่และเกียรติบัตรนะคะโดยช่วงเช้าช่วงบ่ายก็จะมีนางกหนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบเข็มที่ระลึกให้ครูกศออนอเพื่อเป็นขวัญกําลังใจสําหรับ บุคคลที่เสียสละนะคะมาเป็นครูกศออนอก็จะมีตั้งแต่เข็มทองแดงเข็มเงินแล้วก็เข็มทองซึ่งก็จะให้แก่ผู้ที่ทุ่มเทเสียสละอยู่ในทุกถิ่นทุกที่ให้กับชาวกศออนอเป็นสิบปีสิบห้าปียี่สิบปีนะคะแล้วก็ที่สำคัญ อยากเชิญชวนทุกท่านไปดูเทสท็อนะคะซึ่งเป็นการเสวนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจนะคะจากผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็เป็นคนที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติคนแรกเป็นว่าที่ร้อยตรีสรายุทธ์บุญเลิศกุลผู้อำนวยการโครงการดีแท็กอาสาคนที่สองคือ น, นางสาวพรสวรรค์กิจธนาโคสิ์ครูชาวบ้านประจาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านในซอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งชีวิตเธอ เป็นเด็กกศนอมาก่อนแล้วตอนหลังเนี่ยก็ร่ำเรียนจนถึงขั้นระดับปริญญาเอกนะคะได้ไปเป็นนักพูดที่ชนะเลิศระดับนานาชาติมาแล้วด้วยก็ขอเชิญไปฟังนักพูดทั้งสองท่านพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจหรือที่เขาเรียกกันว่าเทท็อกนะคะบนเวทีของการจัดงานที่ลึกสากรแห่งการรู้หนังสือนี้นะคะที่ i ิมแเมืองทองธานีค่ะ นี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะให้ทุกท่านไปร่วมงานกันนะคะการอ่านเป็นเรื่องสําคัญเราอาจจะได้เห็นชุมชนต้นแบบนะคะที่เขาประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาแล้วก็ใช้เครื่องมือของการเรียนรู้เข้าไปถึงบ้านไปเคาะประตูไปอยู่ในที่ที่ชุมชนมีผู้คนอาศัยอยู่ เราทราบข่าวว่าจุดเน้นที่เ้านําเรื่องราวเหล่านี้มาเนี่ยอยากให้เห็นความสําคัญของการอ่านเพราะบางทีเนี่ยเรียนรู้ชีวิตอยู่ตามธรรมชาติแต่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้มีนวัตนิยายมีละครที่นํามาสร้างกันเยอะแยะมากมายว่าบางคนเนี่ยเซ็นชื่อแกรกเดียวให้กับนายทุนเขาก็ไปพิมพ์กงเป็นสัญญาเงินกู้ยึดบ้านยึดที่ดินเอาสมบัติไปหมดก็เพราะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วบางคน จะกินยาลูกหลานไม่มีกินก็ไม่ถูกเพราะอ่านหนังสือไม่ออกเอาแค่สองประเด็นนี้นะคะและเมื่อตอนที่สูนามิถล่มเนี่ยชาวมอแกนซึ่งอยู่ในเกาะในแก่งในทะเลไม่มีใครเป็นอะไรเพราะประสบการณ์ชีวิตเขาหนีขึ้นภูเขาโดยไม่เป็นอันตรายทั้งทั้ที่เขาอ่านหนังสือไม่ออกแต่เมื่อเราจะเข้าไปช่วยให้เขาอ่านหนังสือออก คุณภาพชีวิตเขาย่อมพัฒนาขึ้นนะคะอันนี้ก็เรื่องของความมุ่งมั่นที่สนัก ง, งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งชื่อเดิมคือกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียนเนี่ยก็ทํางานนี้มาตลอดนะคะและทุกวันนี้ก็ยังคงดําเนินงานนี้อยู่ดังนั้นจึงขอเชิญชวนทุกท่านนะคะไปร่วม ง, งานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือพรุ่งนี้ค่ะ ตั้งแต่เช้าจนเย็นที่อิมแพกเมืองทองธา น, นีนะคะคุณผู้ฟังที่เคารพค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากมีส่วนหนึ่งในการบอกเล่าเรื่องราวถนนราช ด, ดำเนินนะคะเดียนอ่านพบในหนังสือพิมพ์ที่เค้าพิมพ์แจกเมื่อวันพฤหัสบดีคะ่ะแลบบิด ชูเดยนะคะเขาก็ลงข่าวเชิญชวนประชาสัมพันธ์เรียนอ่านแล้วก็เลยอยากมาชวนคุณผู้ฟังไปร่วมกิจกรรมกับเขาต่อนะคะยังมองหาตัวเองเลยว่าเอ๊ะเราจะมีอะไรไปร่วมกิจกรรมกับเขาได้บ้างไหมนะเขาลงขอล่ามว่ามาแชร์เรื่องราวถนนราชดำเนินกันเถอะ ถนนราชดำเนินเป็นถนนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2442ค่ะเพื่อใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินระหว่างพระบรมหาราชวังกับพระราชวังดุสิตเพื่อความสง่างามของบ้านเมืองและเพื่อให้ประชาชนได้เดินเที่ยวพักผ่อน แน่นอนว่า120ปีผ่านไปย่อมต้องมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นบนถนนสายสำคัญของกรุงเทพมหานครเส้นนี้นะคะและเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในเ ท, ทศกาลหมุนเวียนของมิวเซียมสยาม121ปี ราชดำเนินบันทึกสังคมไทยมิวเซียมสยามจึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมแบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์บนถนนราชดำเนินเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในนิทรศการหมุนเวียนของมิวเซียมสยามร้อยยปีราชดำเนินบันทึกสังคมไทยโดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนในหัวข้อหลากหลายหัวข้อเลยนะคะตั้งแต่แสงวิบวับไนท์คลับราชดำเนินมูเลงลูส โลดิต้าอเล็กซานเดอร์แล้วก็สีดาขับนะคะคืนสู่ย่าครูและนักเรียนโรงเรียนกวดวิชาบนราชดำเนินโลกลี้ลับความเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิบนราชดำเนินแล้วก็หัวข้ออื่นๆที่ท่านอยากแบ่งปันวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะกับ ถนนราชดำเนินท่านใดที่มีประสบการณ์ก็ขอเชิญไปร่วมกันนะคะประกอบ สร้างและแบ่งปันประวัติศาสตร์ในแง่มุมต่างๆให้คนไทยมองถนนสายนี้ในหลักมิติมากยิ่งขึ้นโดยเรื่องราวที่ได้รับความสนใจคัดเลือกจากการจัดกิจกรรมก็จะนำไปพัฒนาเป็นนิทรรศการหมุนเวียนชุดใหม่ของมิวเซียมสยามต่อไปผู้สนใจสมัครออนไลน์นะคะหรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณทวีศักด์โทรศัพท์ศูนย์หสาม หนึ่งสี่ห้าสามเก้าสามสองศูนย์หกสามหนึ่งสี่ห้าสามเก้าสามสองนะคะน่าสนใจมากมากเลยล่ะคะ่ะท่านใดที่มีประสบการณ์ดีๆนะคะก็เชิญแลกเปลี่ยนกันได้นะคะคุณผู้สัง้าก่อนจะจากกันไปในเช้ามืดวันนี้นะคะเราเห็นข่าวคราของคนรักสุนัขนะคะสุนัขรักคน การอยู่ร่วมกันอย่างมีมิตรไมตรีระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยงตอนนี้บางทีเราไปกินอาหารที่ห้างสรรพสินค้าหลายแห่งเขามีมุมที่ให้เอาสุนัขแมวสัตว์เลี้ยงเข้าไปกินอาหารด้วยได้แต่เขาก็จะมีโซนเฉพาะนะคะอันนั้นคือมุมที่ดูสดชื่นนะคะแล้วก็ไม่จํากัดสิทธิแต่เราก็จะได้ฟังเรื่องราวที่น่ากลัวคู่กันไปด้วยเช่น สุนัขบ้านนี้ไปกัดคนบ้านโน้นสุนัขบ้านโน้นทะเลาะกับสุนัขบ้านนี้คนขี่จักรยานผ่านตรงนี้โดนสุนัขงับตรงนั้นหาเจ้าของไม่ได้โอ้สารพัดมากมายแต่ตอนนี้สิ่งที่เดนเองก็เจออยู่ทุกวันนะคะอยากแบ่งปันเหมือนกันเลยค่ะว่าบางทีเนี่ยมันก็จะมีสุนัขที่เลี้ยงไว้ในบ้านมันอาจจะหลุดออกไปนอกถนนบ้างหรือสุนัขจรจัดที่มันอาจจะอยู่ ในซอยโดยที่ไม่เคยทำร้ายใครมาก่อนแต่ว่าก็จะมีวัยรุ่นวัยรุ่นนี่รุ่นเพิ่งจะเริ่มสิบขวบต้นๆเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าซาสมัยนี้ไม่ทราบว่าจะเรียกอะไรดีขี่จักรยานบ้างขี่มอเตอร์ไซค์ซิ่งบ้างซิ่งจริงๆนะคะแล้วก็ส่งเสียงตะโกนลั่นเลยแล้วก็ขอโทษนะคะท้าถ่ายเจ้าสุนัขด้วยด้วยการกระทึบเท้าบ้างด้วยการตรง้ แล้วก็มีคำสะบทว่าจุดๆจุดไม่กลัวจุดๆจุดนึกถึงคำหัวท้ายเองนะคะแล้วสุนัขที่มันอยู่กลางถนนเน่ะมันเคยนอนเล่นสบายๆแล้วมีผู้คนไปรบกวนอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นจะเป็นยังไงอันนี้เล่าเฉยๆแต่บทสรุปที่เขาเกิดเรื่องเกิดราวกันมาเนี่ยนกกฎหมายเขาจะเตือนนะคะว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะคะถ้าเกิดเหตุ เจ้าของจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ตามแต่ถ้าเจ้าของของสุนัขตัวใดที่ไปทําเรื่องขึ้นจะถูกแกล้งก่อนหรืออยู่ดีๆไปงับใครเขาก่อนไปวิ่งกวดใครเข้าก่อนจนอะไรรถล้มบ้างหรือหกล้มบ้างเนี่ยอยากให้เจ้าของแสดงความรับผิดชอบก่อนก่อนที่อุณหภูมิของอีกฝ่ายหนึ่งที่ได้รับความเสียหายซึ่งจะผิดหรือจะถูกเดี๋ยวค่อยว่ากัน เอาเป็นว่าเจ้าของขอโทษก่อนได้ไหมจะอยู่จะเห็นหรือไม่ก็ตามขอโทษยอมรับดูแลกันก่อนเรื่องมันจะได้ผ่อนจากหนักเป็นเบาไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องถึงขนาดขึ้นตรงขึ้นศาลแจ้งความนะคะเพราะถ้าเขาสอบสวนกันไปสอบสวนกันมามันอาจจะไม่ได้เกิดความเสียหายถูกปรับเฉพาะฝ่ายเจ้าของสุนัขอย่างเดียวผู้ที่ไปก่อกวนผู้ที่ไปกแกล้ง อาจจะผิดไปด้วยเล้งเคยจำได้ว่ามีเรื่องราวเหล่าเานี้ยแล้วประเภทที่เดินผ่านหน้ารัว้วหน้าบ้านผู้คนแล้วไปแกล้งสุนัขที่มันนอนหรือมันอยู่ริมถนนเอามือไปแย่หรือเอาเท้าไปแย่มาแล้วมันงับเข้าเนี่ยเฮฮไม่แน่นะคะคนที่ผิด อาจจะเอ่อฝ่ายที่ผิดไม่ใช่คนที่ผิดอย่างเดียวฝ่ายที่ผิดอาจจะไม่ใช่สุนัขแล้วก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่ไปหาเรื่องสุนัข ก, ก่อนก็ได้อันเนี้อ่านแล้วก็เลยนำมาบอกต่อนะคะว่าเรารักสัตว์ที่เราเลี้ยงแล้วก็ไม่อยากให้เป็นมีปัญหากับใครทั้งสิน้นแต่เมื่อถ้าเกิดเหตุใดๆขึ้นเนี่ยนะคะสิ่งที่ได้ยินดีใจคือประกาศทาง ข่าวตอนนี้เขาบอกว่าใครที่เลี้ยงสุนัขแล้วก็ปล่อยเจ้าสุนัขเนี่ยไปเดินถ่ายเรียราดกลางถนนที่สาธารณะแล้วไม่เก็บสิ่งที่สุนัขของคุณปล่อยไปให้เรียบร้อยโดนปรับโดนจับแถมถ้าใครถ่ายคลิปแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจคนแจ้งได้ ส่วนแบ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นออดิฉันเห็นบ่อยมากๆเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็คงจะทำให้ถนนพวกเราไม่เดินเหยียบกับระเบิดพวกนี้มากยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะคุยไปคุยมาตีห้าแล้วนะคะชีวิตวัฒนธรรมดิฉันผนดทำเนียมอินชาวมืดนี้ก็คงจะต้องลาทุ ก, ท, กท่านไปก่อนเอาใจช่วยพี่น้องที่โดนน้าท่วมนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่เสาร์หน้าเช้านี้คุณบิ๊ก ควบคุมเสียงและหาเพียมกระเพาะให้เราได้รับฟังกันดกรกุลกนิษฐาเงาควบคุมรายการดิฉันผนดรมเนียมอินดำเนินรายการเราสามคนลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือคุ้มครองท่านและครอบครัวให้ปลอดภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ยูเนสโกกำหนดให้วันที่8กันยายนของทุกปีเป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ8กันยายนนี้ประเทศไทยโดยสำนักงานกศนกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประเทศสมาชิกกำหนดจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นณอิมแพกเมืองทองธา น, นีภายใต้แนวคิดกศน ก, กับการส่งเสริมการรู้หนังสือของชุมชนและสังคมไทยกศนอกขอเชิญชวนร่วมเฉลิมฉลองวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือด้วยการกระตุ้นหนุนเสริมต่อยอดทุกชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้